มีคนชมนะว่าพื้นของเราเนี่ยสวยโอ้สวยมากข่ะมาจากมุกดาหารมาจากสุขุครเนี่ยไม่รู้จักผู้ไม่เอาซะแล้วเออควรจะเป็นแบบนี้ก็ได้ก็โอ้โหแก่แล้วแก่อีกทั้งร่อนทั้ง อะไรก็ไม่รู้นะกว่าจะเสร็จนี่มีทั้ อ, อาศัยทั้งพระทั้งโยมแล้วช่วยกันสกัดหินแยกหินออกมาแต่ก่อนยังไม่มีรลอกนะทำกันเองนะเนี่ยทำไปดูจิตไปพอมันเสร็จเรียบร้อยมันก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่พระศาสนา เอาแต่าบางทีเวลาทํางานเนี่ยจิตจดจ่อมีกําลังนะมันจดจ้องทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยไปนั่งบางทีง่วงง่วงซึมซึมเบอรเบอร์หรือไม่งั้นก็ซึมซึมอยู่ข้างในอะ่ะไม่ค่อยได้อะไรอย่างนั้นอะ่ะซึมออกมาบางทีซึมหนักกว่าเก่าซ้ำแต่ถ้าอย่างนั้นเระไม่นั่งก็ดีกว่ามันซึมถ้ามันตื่นอย่างเงี้ยก็อ ย, อยังชั่วหน่อย เวลามันตื่นตัวก็ได้ผลดีอยู่แต่เวลาทํากิจกรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราจดจ่ออยู่กับงานเนี่ยแล้วยิ่งมีมีชันทะมีความพอใจเนี่ยท่านเรียกว่าการมีสมาธิเกิดขึ้นโดยมีชันทะเป็นตัวนําอย่างถ้าเราพอใจทําอะไรอย่างเงี้ยใจมันจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นมันเป็นสมาธิในตัว เราพอใจปฏิบัติก็เหมือนกันทำให้จิตมีกำลังมันแน่วแน่อยู่ข้างในแน่วแน่แล้วบางทีมันก็พูดกับตัวเองได้ด้วยนะสอนจิตได้ด้วยเดี๋ยวนี้บางทีเข้าสมาธิไ ม, ไม่ไม่มีอะไรอื่นนะนึกถึงคนนั้นคนนี้สอนเขาสอนในจิตเนี่ยสอนอย่างงั้นสอนอย่าง น, น, อ น, อางนี้เราก็เลยอยู่กับตัวสอนเนี่ยตัวรู้ของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปสนใจอย่างทิ้งมดวางมด อะไรผ่านเข้ามากับช่างหัวมันมันไม่สนใจมันอยู่กับรู้มาอยู่กับธาตุรู้อย่างเดียวเลยมีฉันทะมีวิริยะความเพียรพยายามด้วยความเพียรเนี่ยมันก็ทำให้จิตเนี่ยมุ่งมันแล้วกลายเป็นจิตที่มันกล้าหาญเลยนะเข้มแข็งนะอะไรเกิดขึ้นไม่กลัวนะความทุกข์เข้ามาก็ไม่กลัวจิตที่เข้มแข็งอ่ะ มันต้องได้ต่อสู้ผ่านแบบฝึกหัดนะฝึกหัดเพื่ออะไรให้เข้มแข็งเอาจะนอนวันนี้มามาทำเรื่องการปฏิบัติเหมือนกันนะเขาว่าการที่นั่งสมาธิเนี่ยก็เพื่อให้จิตเข้มแข็งใช่ไหมครับวาเราบอก็ใช่เนี่ยจริงๆแล้วมันมันจิตเท่านั้นใช่ไหมครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เกิดปัญหาต่างๆที่ไปเกิดเนี่ยจิตใช่ไหมครับที่ไปเกิดใช่ว่า แต่ในจิตเนี่ยมันมีความหลงผิดความยึดมั่นถือมั่นมีตัวตนแล้วพอไปทําทําดีก็เป็นเราทําทําชั่วก็เราทําอใจสงบก็เป็นเราสงบมีแต่เราเราหมดนะ่ะพอเป็นเราปับ๊บเนี่ยความมีตัวตนนั้นมนมาเก็บไว้ในภวังคจิตเหมือนคอมพิวเตอร์เราก็บอกนี่คอมพิวเตอร์มันเก็บไว้เก็บไว้เราทําเราดีเราไม่ดีเก็บไว้หมดเนี่ยแต่ถ้าวางได้มันไม่เก็บนะ อย่างพ่อหลานนี่ไม่เก็บทำอะไรปั๊บรู้แล้วก็ผ่านไปใครมาเกี่ยวข้องแล้วก็ผ่านไปอะไรนั้นก็ผ่านไปทำให้มันดีที่สุดทำให้มันได้ประโยชน์ทำให้มันถูกต้องเนี่ยจบเลยเพราะนั้นมันจึงมุ่งไปที่ทำนะพ่ะหลานนี่มุ่งไปที่ทำมุ่งไปที่ความถูกต้องอันไหนที่มันผิดจากธรรมจากความถูกต้องเนี่ยไม่อยากเอาใจมันไม่เอาเพราะเอาไม่ได้เพราะมันไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้อง ถ, ถูกต้องระวังเลยถูกต้องระวังไปเรื่อยสบายเบาเนี่ยมันก็เลยไม่มีกรรมมันไม่เก็บอะไรไว้เลยอะแล้วก็แล้วไปถ้าผิดพาดก็ขอแก้ไขไม่เป็นไรแก้ไขวันนี้ไม่ทันก็วันพรุ่งนี้วันลืนนี้วันต่อต่อไปคราวหน้าเตรียมไว้แก้ไขมันไม่เก็บอีกมันไม่เสียเวลาไปไปไ ป, ไปเก็บไปยึดเรื่องของอะไรก็เข้าใจหมดแล้วนี่ ทางโลกลเคขาก็อยู่กันไปอยู่กันไปใครยึดอะไรก็หลงผิดเกี่ยวกับอะไรยึดเกี่ยวกับอะไรก็เป็นทุกเรื่องนั้นก็ทุกไปเพราะเขาไม่รู้ให้ทํทำยังไงอะ่ะทุกเรื่องลูกก็มีสามีก็มีภรรยาก็มีเรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทองข้าวของหนี้สินก็มีกันหมด ก, ก็เขาไม่รู้ทํำยังไงผก็ปล่อยไป เนี่ยมันถึงว่าออปล่อยไปตามกรรมก็ใช่ปล่อยไปตามเหตุปัจจัยก็ใช่มันเป็นอย่างนั้นเองอ่ะเรื่องของโลกก็ใช่ก็อย่างนี้แหละโลกเนี่เราจะให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้นะเรื่องของโลกนะมันก็เลยวางไปหมดแล้วมันก็ไม่เอาอะไรอะที่นี่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาติดอยู่นิดนึงเขาว่าติดอยู่นิดนึงก็คือสงสัยว่าไอ้ไอ้เวลาคนเราไปเกิดเนี่ยอะไรมันพาไป ไอจิตใช่ไหมครับไปเกิดใช่จิตไปแต่ตัวที่พาไปจริงๆก็คือกรรมกรรมดีกรรมชั่วแม้แต่ความสงบถ้ายึดว่าเป็นเรามันก็พาไปเพราะฉะนั้นต้องมีสติรู้ทันรู้ทันแล้วมันก็วางวางไปเรื่อยก็อธิบายให้ฟังนะว่าเนี่ยไอกรรมเก่านะ่นมันก็มาเป็นเรานี่แหละเป็นตาหูจหมูกลิ้นกายใจ ไม่ต้องไปสนใจว่ากรรมเก่าเราทำอะไรมาเราทำนู่นมาทำนี่มาโอ้เสียเวลามันมาเป็นตัวเราแล้วให้รู้ว่าเราปัจจุบันนี้แหละได้มาเพราะอำนาจของกรรมเก่าเวลาใช้กรรมก็ตามันก็ไปพบสิ่งที่ไม่ดีมันก็ทำให้เป็นทุกข์เนี่ยพบสิ่งที่ดีมันก็ทำให้ยินดีไปอย่างหนึ่งเนี่ยมีทั้งยินดีมีทั้งยินร้าย ล้วก็ปรุงแต่งไปในจิตของเรานี่ละเรื่องของจิตทั้งหมดเวลาศึกษาเข้ามาจริงๆแล้วจิตก็ออกไปยึดกายยึดเวทนายึดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนเป็นของของเราเป็นนั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราอยู่อย่างนั้นเนี่ก็ปัญหามันก็อยู่ที่นี่คือความหลงนี่นฟังเข้าใจเร็วนะโอ้ผมกาลังพิจารณตรงนี้อยู่พอดีเลยครับว่า ผมก็มาพิจารเรื่ององค์คูรีมานวะทําทความชั่วตั้งมากมายก็ยังบรรลุเป็นพรอลานแสดงว่ามันอยู่ที่จิตไม่ยึดใช่ไหมครับอืใช่แสดงว่าเป็นคนมีปัญญานะถามอย่างนี้ได้เลยอ่ะเนี่ยมันจ่อเข้าไปหาตัวเองเลยนะเนี่ยเรื่องจิตของตัวเองเลยอ่ะที่ภาวานาอยู่ก็แสดงว่าทําให้จิตเข้มแข็งใช่ไหมครับให้มันปล่อยวางได้ใช่ไหมครับใช่ถูกแล้ว ให้จิตนี่แหละมันไปนลหลงยึดอะไรอะไรเกิดขึ้นก็าตามถ้าจิตไม่ยึดสักอย่างถ้าจิตมันแน่จริงนะมันแข็งแกร่งจริงนะมันวางทันทีเลยร่างกายเป็นอะไรก็รู้ว่าเป็นเรื่องเรื่อหล่างกายเท่านั้นสุดท้ายมันต้องแต่ดับสลายไปจิตมันก็วางได้แต่ถ้ากำลังไม่พอพูดขนาดไหนวางไม่ได้อย่างสมัย พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ภาห i ยะภาห i y ะนี่ก็ประวัติก็คือว่าเรือแตกเรือแตกผ้ามันหลุดลุ่ยไปน้ำมันพัดเอาผ้าไปไม่มีผ้าใส่พอดีว่ายน้ำขึ้นบกได้ก็ไปหาใบ ไ, ไม้มานุ่งห่มคนเข้ามาเห็นเขาโอ้โหนี่ต้องเป็นพลทหารแน่นอนเลยไม่เอาอะไรเลยอ่ะเสื้อผ้าก็ไม่เอา เอาใบไม้มาปิดร่างกายเฉยๆเขาก็มากราบมาไหว้สิที่นี่เอาอาหารมาให้ก็กกเลยสวมรอยเนี่ยสวมรอยก็ได้กัอาหารเนี่ยก็นุงห่มใบไม้อยู่ไั่นนะนานเข้านานเข้ า, น า, นขาคนก็หลังไหลมาสิเขาลบนับถือเออหรือเราจะเป็นพลาหารจริงๆว่ะที่จริงทีแรกอะเรือแตกแล้วก็เลย ไอ้น้ำมันพัดเอาเสื้อผ้าไปมันหลุดลุ่ยไปหายไปเอาใบ ไ, ไม้มานู่ปิดร่างกายพอคนมาเคารพนําถือก็เลยได้โอกาสเลยหรือเราจะเป็นพ่อหลานจริงๆวะคือมันไม่เอาไงมันไม่เอาอะไรนะเสื้อผ้าก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าอย่างเนี้ยมันดีมันได้กินข้าวคนเคารพยกย่องเสนอ ท, ทีนี้ท่านก็มีบารมีเก่าเพราะท่านเคยปฏิบัติมา ประวัติแน่ดีก็คือว่าเคยเป็นพระแล้วก็ไปภาวนาสละตายบนภูเขาถ้าหาว่าไม่บรรลุ ธ, ธรรมก็ยอมตายเลยอ่ายอมตายแล้วก็ตายพอดีตายเนี่ยออกมาเกิดเป็นทันปาหีระในชาตินี้เกิดมาแล้วก็หลงผิดทีนี้ก็มีพวกพรมเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเคยเคยภาวนาตายด้วยกันเนี่ย แต่ไปเกิดเป็นพรหมมาบอกเอ้ยท่านเนี่ยไม่ใช่พลทหารนานะทีแรก่เสื้อผ้าท่านหลุดลุยเพราะน้าพัดไปนะโน้นพระพุทธเจ้าบาดขึ้นมาแล้วไปไปหาพระพุทธเจ้าโน้นนะพอได้ยินว่า พ, พระพุทธเจ้ากเกิดความศรัทธาเลื่อมใสมุ่งตรงไปหาพระพุทธเจ้าเลยไปถึงพระพุทธเจ้าก็กำลังย อ, อกบินทบาทที่นี่กําลังจ อ, อกบินทบาทก็ขอกาบเสร็จเรียบร้อยออ แต่พระค์ผู้จเจริญขอพระ อ, องค์เนี่ยทรงแสดงธรรมให้ข้าพุทธเจ้าฟังด้วยเถิดพระเจ้าข้าอย่ า, วาโวยอย่าเลยเรากําลังออกบิณฑบาตอยู่ให้เรากลับแบกบิณฑบาตซะก่อนเสร็จภารันนี้สิก่อนคือในใการเวลาสมควรพอพระองค์กําลังออกบิณฑบาตท่านไปยากก็ลบเล้าถ้าเกิดข้าพุทเจ้าเป็นอะไรไปก็จะไม่มีโอกาสฟังธรรมหรือพระองค์เป็นอะไรไปข้าพุทเจ้าก็ไม่มีโอกาสฟังธรรม เขาก็มีเหตุผลเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าหัวออยาเลยเราก็บิดา บ, บาทถ้าอย่างนั้นพระองค์แสดงธรรมย่อยอๆกันแล้วการข้าพเจ้าจะตั้งใจฟังเนี่ยพระเจ้าก็บอกสั้นๆเลยนะถ้าตาเห็นรูปก็สักตะวันเห็นเนี่ยหูได้ยินเสียงก็สักว่าได้ยินเนี่ยอะไรมาถูกต้องสัมผัสนะทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็สักต่ว่ารู้ สักแต่ว่ารู้สึกให้ทำอย่างนี้ฟังแค่นั้นนะบรรลุธรรมเลยนะมันปฏิบัติมาเต็มที่แล้วอ่ะบารมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วอย่างเราเนี่ยฟังมานานแล้วนะเทศเชา้าเทศเย็นโอ้เป็นปีแล้วนนเนี่ยนี่ใกล้หรือยังก็ไม่รู้นะคือไม่ยึดอะไรพู้นี้ไงอะไรเกิดขึ้นเอาเกิดกับร่างกายเหรอก็เรื่องร่างกายสักแ ว, ว่ากาย ด้วยเส้มันธรรมดาคนมีร่างกายก็อย่างนี้ละอากาศร้อนเราก็ร้อนด้วยอากาศ เ, ากเย็นเราก็เย็นด้วยเวลามีเชื้อโรคผ่านเข้ามาก็ไอก็จามเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เนี่ยถ้าใจมันยอมรับได้ก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ามันเกิดขึ้นแต่ทีนี้ถ้าจิตไม่มีกำลังมันทาไม่ได้ทีนี้มันก็เป็นเราไปอีกแล้วปุงไปไหลไปเนี่ย นี่คือจิตไม่มีกำลังก็ต้องพยายามที่จะเข้ามาที่รู้เข้ามาหาหลักธรรมของมุติจัง๋งไม่พยายามไม่ยินดีไม่ยินไลยต้องใช้คำามาพยายามเพราะเรายังทำไม่ได้ฟังธรรมก็เพื่อให้จิตของเราไม่ยินดีไม่ยินไล่ทำการทำงานอยู่ก็รักษาจิตไว้เพื่อไม่ให้จิตไปหลงยินดียินไลาให้มันอยู่กับปัจจุบันนี้เนี่ยทำการทำงานก็ต้องให้มันอยู่กับการงานนี้ ถ้าทาไปใจมันไหลไปลอยไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์ทาง จ, จิตใจได้แ ต, งงแตแงง่งานภายนอกแต่เราเน้นงานภายในเนี่ยงานภายนอกเพื่อเข้ามาหางานภายในอย่างจึงมีความเพียรมีฉันทะมีวิริยะจิตตใจก็จดจ่อมแล้วมันก็คข่ควรอยู่ภายในนั่นแหละ สอนจิตไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองไปอย่างนี้มันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเหนือเขาก็พูดถูกอ๋อที่ผมที่นั่งสมาธิกันปฏิบัติกันนี้ก็เพื่อให้จิตมีกําลังใช่ไหมครับใช่เราบอกจริงๆแล้วแค่จิตไม่ยึดมั่นถือมัน่นจิตปล่อยจิตวางได้มันก็อยู่เหนือกรรมแล้วเนี่ยเราทําอะไรมาก็ตามมันเอาคืนไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้ว มันก็เป็นเรื่องของกรรมเก่าไปเรื่องอดีตไปเราก็อยู่กับปัจจุบันนี้อะไรเกิดขึ้นก็มันเป็นไปยึดมันก็เลยเหนือกรรมพ้นกรรมหรือว่าสิ้นกรรมหรือว่าเป็นอิสระจากกรรมอันเดียวกันก็คือพ้นทุกนั่นแหละที่แรกก็อยากจะถามแต่ว่าเหมือนจะเกรงใจนะว่าเออผม ก็ยังปฏิบัติอยู่เอาไว้ไว้โอกาสต่อไปทึ้งจะถามว่าถามได้เลยจะได้ไปเอาไปปฏิบัติต่อได้ถามมาก็ถามแบบเนี้มันอยู่ที่จิตใช่ไหมแล้วก็กําลังพิจารณาเรื่องโองคุลิมานค่าคนตายค่าคนตายนี่มันมากกว่า999นะที่ที่พูดถึงว่าค่าคนตายแล้วเอานิ้วเป็นพวงมาลัย999 อีกคนนึงจะพบพันธุ์ที่แรกอ่ะฆ่าคนแล้วก็นับนับแล้วก็ลืมจําไม่ได้น่ะก็เลยต้องคิดใหม่ฆ่าใครแล้วต้องตัดเอานิ้วมาร้อยเป็นพวงห้อยคอดูสิอแต่ว่าไม่ยึดเนี่ยพอฟังธทำแล้วปฏิบัติทำแล้วจิตมันเข้มแข็งไม่ยึดมันก็เป็นเรื่องของกรรมไป มันเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเข้าวางได้ทั้งก็ บ, บรรลุเป็นพรหนานได้เพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยเราทําอะไรมาก็ตามเราไม่กลัวกรรมนะมันก็มีกันทุกคนนะไอ้เรื่องกรรมไม่งั้นไม่มาเกิดเนี่ยที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอำนาจของกรรมพามาเกิดแล้วเราพบอะไรดีไม่ดีก็เป็นเรื่องของกรรมด้วยเนี่ยแต่มันไม่ใช่ว่าทิ้งให้กรรมเก่าอย่างเดียวนะ มันมีหลายสาเหตุนะในสมัยในสมัยพระพุทธเจ้ามันมีลทัทธิลัทีิกรรมเก่าก็มีนะเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะกรรมเก่าก็เลยไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องมีความเพียรอะไรเลยนะไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยโยนให้กรรมเก่าอย่างเดียวเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกกรรมปัจจุบันก็มีด้วยวิธีแก้ไขควรแก้ไขก็ต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นมาด้วยกรรมปัจจุบันก็มี อะไรจะเกิดขึ้นมันมีเหตุปจตัจจัยตังเยอะต่างแยะมันต้องได้แก้ไขซะก่อนแก้ไขไม่ได้แล้วก็เออเอาหลักนี่หลักกรรมเนี่ยมันลงให้กรรมได้ตอนสุดท้ายโน้นไม่ใช่อะไรก็เออกรรมแล้วแต่กรรมเห็นคนอื่นไม่อยากช่วยเขาก็เออกรรมของเขาไม่มีใครช่วยได้หรอกเนี่ยมันไม่ได้ ทำอะไรผิดพลาดกับก ร, รมไม่แก้ไขอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วก็มีคนมาถามมีมีเด็กนักเรียนมห้าเขาเห็นในเว็บไซต์เรื่องเมชีป่านนเขาเป็นนักเรียนรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นวัยเดียวกับเขานี่ละ่ะเขาก็มาถามเรื่องเมชีป่านว่าเป็นยังไง เขาอยากฟังพอดีมีแขกมาเราก็หันไปคุยกับแขกถามมาจากไหนมาจากนาคนปรปฐมเด็กคนนั้นก็กบอกขอขอฟังเรื่องแม่ชีปานต่อไปได้ไหมวะยังไม่จบเขายังติดใจก็เลยอธิบายฟังว่าเออเขาทำจิตให้สงบนะเราพาเขาอุทิศบุญนี่แหละอุทิศบุญเนี่ย อุทิศบุญให้เนี่ยรอบรอบญาติเทวดารักษาเจ้ากรรมในเวรคือเราเน้นเนี่ยเพราะพระเจ้าบอกว่าให้อุทิศบุญให้พวกเนี่ยที่มองไม่เห็นเนี่ยอยู่รอบรอบตัวเรานี่อยู่นาที่ใดนะแต่มีเทวดาอยู่ในที่นั้นทําบุญแล้วก็ให้อุทิศบุญให้เทวด า, าพาเขาอุทิศบุญให้หมอเทวดาที่เป็นหมอเป็นอะไรามาช่วยแต่จิตเขาก็สงบดีพอเป็นสมาธิแล้วเราบอกเลยบอกว่าต้องสอนจิต และร่างกายเนี่ยสุดท้ายต้องตายถูกไหมกำลังป่วยอยู่นี่สุดท้ายมันต้องตายจริงไหมจริงเข้าว่างงั้นถ้าอย่างนั้นต้องสอนจิตให้มันเชื่อให้ได้เขาบอกต้องสอนในสมาธิเวลาจิตสงบเป็นสมาธิแล้วให้สอนจิตว่าร่างกายไม่ใช่ของเราให้ได้อย่างเราหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นเราไหมหรือว่าร่างกายมันหายใจเองเราหยุดได้ไหมเขาบอกหยุดไม่ได้นี่ล่ะมันมันทําเองมันทํางานได้เองร่างกายเนี่ย แล้วเราจะหลงว่าเป็นเราได้ไหมเขาบอกก็ไม่ได้พ่อแม่เขาก็ฟังไปนะแล้วก็ถามพ่อถามแม่เขาไปด้วยเขาก็ตั้งใจฟังต่อมาจิตเขาเชื่อเขาบอกเออไปสักระยะหนึ่งถามเลยนะว่าจิตมันเชื่อไหมเขาบอกเชื่อเชื่อเต็มร้อยไหม บ, บ้เออขายังเอเขารู้ด้วยนะยังแต่เชื่อมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาต่อมานี่เราก็ถามอยู่เรื่อยสอนไปถามไป เขาบอกโอ้มันเชื่อแล้วว่ะมันเชื่อแล้วคือจิตมันยอมรับแล้วแล้วเขาก็ป่วยอยู่อ่ะมันมีของจริงเห็นชัดเจนอยู่อ่ะคนกาลังนอนป่วยอยู่ร่างกายมันไม่ได้ใจเราอ่ะจิตใจมันมีธรรมะขึ้นมามันเลยวางได้ง่ายวางได้เร็วเพราะมันความจาเป็นมันบังคับอยู่อ่ะมันมันไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยมันก็ป่วยแล้วมันก็เจ็บปวดอะไรขึ้นมาจิตเขาสงบเขาก็เลยเห็น เห็นแล้วเราก็บอกให้สอนจิตให้ได้นะเอาให้จิตเชื่อให้ได้จิตมันเชื่อขึ้นมาแล้วมั่นใจไหมมั่นใจครับว่าวันแรกตอบแบบวันที่สองถามอีกแน่นะมั่นใจแน่นะเขาบอกแน่พอวันที่สามถามอีกไม่ตอบมองหน้าแล้วก็เฉยเลยนะหมายว่าเออก็ตอบไปแล้วไงหรือไม่อยากตอบอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจนะ เมือนาถึงไม่ตอบก็เข้าใจความรู้สึกของเขาก็บอว่าคราวนี้ก็อธิบายเรื่องขันห้าการทํางานของของพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันทํางานกันยังไงหลังจากมันได้เข้าใจเรื่องรูปแล้วขเขาแอบอัดไว้นะเราไม่รู้นะว่าเขาอาจมีเขามีโทรศัพท์เขาอัดของเขาแล้ววันนั้นเขาฟังทั้งคืนเลยจนตีสองอะฟังตั้งแต่หัวค่ํา ฟังกันเดียวนั่นแหละวนไปวนมาพ่อเขาก็แปลกใจเนี่ยพอจิตมันมีธรรมขึ้นมาล่ะมันจะรู้ว่าจิตเนี่ยมันมันต้องการอาหารประเภทไหนพลงานต้องการธรรมชนิดใดพอมันตรงกับความรู้สึกของตัวเองฟังเลยซ้ำเลยวนไปเวียนมาอยู่นนะั่ะฟังอยู่หลายวันใจเขาก็เบาไปใกล้เย็นเลยนะทีนี้เย็น คำพูดคำจาเป็นผู้ใหญ่เลยแต่เวลาพูดกับพ่อกับแม่ก็พูดธรรมดานะแต่ถ้าเราไปเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยกับเราเนี่ยพูดแย่เล่นหัวเราะนี่งๆหน่อยจากนั้นก็พูดเป็นเรื่องธรรมะเรื่องจิตเดิ่ใจไปก็เล่าให้เขาฟังแล้วเวลาจะตายอะ่ะเขาสงบไหมบอกโอ้เขาสงบแต่ถ้าดูเหมือนมีเวทนาเขากัดฟันกัดฟันอดทนมากเสียง นิดหนึ่งก็ไม่เล่นหลอดออกมาสุดท้ายก็ลืมตา ม, มองดูพ่อดูแม่เรียบร้อยกับพยายามจะยกมือขึ้นพนมจัดตัวเองเรียบร้อยพยายามจะยกมือขึ้นมือก็ตกลงไปแสดงว่าไปแบบสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คือสมบูรณ์ในระดับของเขา เด็กคนนั้นตั้งใจฟังมากเลยนะพอเราอธิบายจบแล้วหนูเป็นคนใจร้อนจังวะหนูเป็นคนใจร้อนจะแก้ไขยังไงโอคนที่อยู่มห้าอยากแก้ไขตัวเองเนี่ยเราชอบมากเลยนะชื่นชมเขาเลยนะเออมีลูกดีนะเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องอะไรแล้วอยากแก้ไขตัวเองเนี่ยก็เลยบอกพยายามมีสตินะทำอะไรให้มีสตินะ เน้นสติเพราะพุทธเจ้าก็เน้นสติสงบไม่สงบไม่เป็นไรให้มีสติมันจะมีอะไรก็ช่างขอให้มีสติแล้วพยายามไม่ยินดีไม่ยินไล่นะพยายามวางใจให้เป็นกลางนะพยายามอยู่างนี้แหละต่อไปมันก็จะค่อยๆทําได้แล้วถ้ามันใจร้อนแต่ก็ยังทําอยู่รู้แล้วยังทําอยู่อะแล้วเป็นยังไงเขาวางอย่างนี้นะบอกว่าธรรมดาเราบอกว่าตอนนี้มันยังกําลังมันยังมากอยู่ เมื่อเรามีปัญหาเรามีความทุกข์มันมีนู่นนี่ไม่ใช่ว่าแก้ได้ทันทีทันใดนะมันจะต้องค่อยศึกษาค่อยเรียนรู้ค่อยสู้กันไปนะสู้ไปสู้ไปเนี่ยไอจิตสติปัญญาของเราเนี่ยมันก็ค่อยพัฒนาขึ้นตามไปด้วยเริ่มเห็นเริ่มเข้าใจก็เริ่มพยายามที่จะสอดส่องพยายามที่จะหาอุบายแก้ไขเนี่ยเหมือนลงตามหาบัวดีตันเราโอ้แต่แพ้เลยวะ่ะ เขาไปป่าตั้งใจว่าจะเอาให้มันเด็ดขาดเลยกิเลสไปไปถึงมันเล่นงานร้องไห้เลยท่านวะแต่ในใจก็บอกมึงมึงอจะต้องเอาจนได้ ห, ไหมายว่านี่มันมันมันแพ้ก็ยอมรับมันไม่เป็นไรแต่ว่าใจเราที่ไม่ถอดถอยไม่ถอดใจเนี่ยสําคัญตรงนี้เราบอกว่าเออให้สังเกตไปนะดูไปนะแล้วหนูจะค่อยๆมีกําลังมากขึ้นแล้วหนูเนี่ยรู้มันแล้ ว, ร, ลวรู้เห็นหน้าเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นตามมันแล้ว อีกหน่อยจะแก้ไขได้รู้สึกเขาก็พอใจนะไม่กดดันตัวเองอะ่ะก็รอเวลาไปเหมือนการปฏิบัติของเรานี่แหละอยู่นระดับไหนอยู่ขั้นไหนก็นตามก็รอเวลาแต่เราไม่ทิ้งความเพียรไม่ทิ้งหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามุ่งมั่นอยู่อย่างนั้นจดจ่ออย่างนั้นพยายามอยู่อย่างนั้นทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยสู้ไม่ถอย ได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ปฏิบัติเอาอยู่างเงี้ยแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินลายเนี่ยหลักอย่างนี้แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างให้ถูกต้องเราย้ําเรื่องเนี่ยพวกผีพวกวิญญาณอะไรเนี่ยเนี่ยชาวบ้านนี่เข้ามาเนี่ยที่จามาจากมหาสารคามเขาบอกโอ้ดีใจไม่ได้ยินคําพูดบางคําที่ไม่เคยพูดอ่ไม่เคยได้ยินเขาว่าเั้นนะ เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปติดใจตรงไห น, นอแ ล, แล้วแล้วแล้วได้ยินเรื่องอะไรก็เรื่องที่หลวงพ่อพูดพดนั่นแหละว่ะ เ, เขาสรุปอย่างนั้นอ่ะแม้ว่าเขาคงคงเพิ่งมาครั้งแรกไอ้ที่จริงไงธรรมะประเภทที่อธิบายก็ฟังอ่ะเราเราเราพูดอยู่บ่อยๆพรันเป็นพื้นฐานสำหรับคนใหม่ๆแต่เขาเนี่ยไม่เคยได้ฟังเขาเพิ่งได้ฟัง เขาก็เลยพอใจนะเกิดปิติขึ้นมาอย่างนั้ น, นคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรให้มันถูกต้องนั่นแหละ ว, วางใจให้มันถูกความทุกข์มันยันน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าวางใจถูกถ้าไปเอาความเห็นของตัวเองเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่โอ้ไม่ได้เลยนะนี่เราจริงเน้นว่าทุกเรื่องเนี่ยมันต้องมีหลักมเมแตาการงานทางโลกก็าตามนะทานู่นทานี่ก็ต้องมีหลักวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้อง สงสัยอะไรเนี่ยไม่ตัดสินใจเองคือถ้าไม่รู้จริงไม่ตัดสินใจเพราะอะไรอ่ะบางทีมันก็ขาดบางทีมันก็เกินอ่ะเพราะนั้นเราจองพึ่งความรู้ของคนที่เขามีความรู้อย่างว่าเออถนนรถบดวิ่งเข้ามาแล้วมันมันก็ล้าแล้วเราก็เทบางด้วยตอนนั้นก็คุยกันกับช่างเขาสิเ้นก็พอไม่มีรถใหญ่วิ่งเข้ามาหรอกอ เราก็อยู่แค่นี้มีแต่รถพิกอัพแค่นี้เองเสิบเซนก็พ อ, อบอกเอาเสิบเซนก็1ิบเซนนะแต่พอรถบดเข้ามามก็ลาวจีรถพ่วงอีกโอ้โหนี่เต็มที่เลยฝนก็ตกเละเลยนานเขเออเอาเหล็กใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเสริมเหล็กเราก็คิดเหมือนกันนี่เสริมยังไงขนาดไหน แล้วหลักการทำถนนทำยังไงมันจะได้ถาวรก็เคยเห็นอาจารย์แมนทำท่านใช้เหล็กผูกแล้วก็หนาสิบห้าเซนที่จริงต้องมีการบดอัดถนนไม่ใช่ไม่ใช่ทำเลยอย่างเรานะของเราเอามาเทๆแล้วก็ทิ้งๆไว้สักหน่อยหนึ่งก็ไม่นานด้วยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวน้ำมันจะมาฝนตกลงมาน้ำมันจะพัดไป เราก็ทําเลยนี่นี่ก็เป็นเหตุอันหนึ่งมันไม่แน่นฐานมันไม่แน่นในเมื่อเราไม่ได้บดอัดถนนทั่วไปเขาใช้วายเมดก็พอคอนกรีตคอนกรีตตามถนนทั่วไปเนี่ยวาเมดก็พอแล้วพอแค่ไม่ไม้กันไม่ให้ปูนมันแตกเฉยเมันก็แข็งแต่อันนี้ก็เลยเอาเหล็กสามหุน น, นี่คือเราไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ฟังความเห็นของคนที่เขามีความรู้แล้วเราก็จะได้มั่นใจงานที่เราทำมันก็มีคุณภาพไม่ผิดพลาดด้วยหรือทำอะไรก็ตามถ้ามีความสงสัยเดี๋ยวมันก็ไม่มันก็ขาดใจอะ่ะเดี๋ยวคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นจะไปตามคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้ด้วยกันน่ะ เราเองก็ไม่รู้ด้วยตัดชิ้นก็ไม่ได้ก็ต้องหาคนกลางมาคนที่เขามีความรู้มีหลักการเอามาตัดสินให้นี่มันก็เป็นอย่างนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยศึกษาไปด้วยบางอย่างก็เราก็รู้บางอย่างไม่รู้ถ้าไหนมันมันพอที่จะตัดสินได้ก็มีพอเรื่องเล็กๆน้อยๆอะพอจะตัดสินได้มันใช้ใช้หลัก ใช้หลักเนี่ยสามัญธรรมดานี่แหละเขาเรียกว่าคอมมอนเซนต์เนี่ยเอาจิตของเราเข้าไปไม่มีอะไรในใจแล้วก็ดูเฉยๆบางทีก็เข้าใจขึ้นมานีา่เาว่าอะไรไอ้นี่ใช้สามัญสำนึกธรรมดาธรรมดาก็มีบางอย่างมันก็ได้ส่วนใหญ่ใช้ใช้สามัญสา น, สนึกเนี่ยมันก็พอตรงกันอยู่พอเข้าใจกันได้ บางทีก็อาศัยประสบการณ์แต่ก่อนอาจารย์เขาก็ฟังแล้วก็มีแต่รอเหมือนกับตัวเองก็รอเวลาอยู่นี่ก็ใกล้แล้ครับว่าก็อีสเรียนตอนนี้รู้สึกต้องดูอุบาทากแม่มาก็ไม่สะดวกเราก็เข้าใจโอ้ยยังไงอย่แม่ถึงจะปล่อยวางใช่ไห ก็บอกสิอลูกศิษย์ลูกปูลูกปูฟันแท้ๆยั ง, ง, งยึดยึนมัน่นถือมั่นอยู่เลยเราคงอะไรเงี้ยออคือแย่ไปพูดพูดถึงไงไอเนี่ยเราก็ไม่ก็มีเรื่องคำกันนะโอปีนั้นนะ่ะโอ้เนี่ยเนี่ย ร, รมของคนจริงๆมันมีจริงๆนล้วเราก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละข่าวไปทั่วเลยไปตามวัดด้วยนะว่าอาจารย์ภูไม่หาอ่ะสึกแล้ว ตอนนั้นเนี่ยว่าข่าวของเรามันก็เริ่มเริ่มดังขึ้นมาใหม่ๆอะ่ะคนก็เริ่มว่าพูดถึงไอไอ้นี่ยว่ารูพ้นจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกไปทาเราก็กำลังออกอยู่บางคนก็คงเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็อิจฉาว่าไปโอ้เรื่องเยอะเลยนะมันก็เข้าหูเราอยู่นะที่นูน่นที่นี่เราก็รู้เออโอ้เป็นอย่างี้นั่นเนี่ยมันก็เป็นธรรมดา คนไหนเขาไม่ชอบที่จริงเราอยู่ของเรานะหลุดพ้นก็เรื่องของเราไม่พ้นก็เรื่องของเราแต่มันไปกดดันเขาเนี่ยทีนี้พอดีมีข่าวว่ามีพระศึกพระอยู่ในภูในศึกเรื่องผู้หญิงด้วยเขาก็เมาเลยว่าเป็นอาจารย์ภูไม่หาวเลยนะอาจารย์ขันชิดเลยนะระบุเลยที่ก็มีคนโทรศัพท์ไปบอกว่าหลานชายอะอาจารย์ขันชิดนะ่ะภูไม่ฮาวอะศึกแล้ว โอ้ตกใจมากนะทั้งโกรธพอได้ยินอย่างนี้ก็ร้อนเลยแกว่าโอ้โหแพ้หลาบคาบเลยแกว่านึกว่าจะมีทำแค่นี้ก็แค่นี้ก็แพ้หลาบคาบแกวะ่ะแกตําหนิเราทีนี้ใจมันก็งูหนิดเนี่ยทนไม่ไหวให้หลานพามาเลยนะมาดูหลานก็ขับรถมาพายามาดูมาถึงก็พอดี ตอนน้นอาจารย์จิตรีอยู่ที่ให้เนีย่ยอยู่มาหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ล่ะเขาก็มาปฏิบัติธรรมเขาก็เอารถเบนซ์มาจอดไว้ข้างล่างเนะีมาจอดไว้ข้างล่างพอมาถึงก็เห็นรถเบนซ์จอดอยู่นี่ต้องเป็นรถผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเลยดูสิจิตคนเราอ่ะนี่แกบสารภาพที่หลังนะเขาก็พูดเปิดใจเลยนะอต้องใช่แน่ๆเลยกับปุ้งใหญ่เลยที่นี่สงสัยต้องอยู่ด้วยกันแน่นอนเลย แอบไปหากันตอนกลางคำ่ำกลางคืนนั่นกว่าไปเรื่อยอลาขึ้นมาก็ไปที่กุฏินั่นเราก็เห็นเงาอะเห็นดางหน้าต่างแล้วเรนทับเอ้อว่าไงอ๋ย่าอย่างมาเยี่ยมอาจารย์แล้วอยู่ที่ไหนอยู่ข้างล่างเออเดี๋ยวจะลงไปคือก็รู้ว่าเขาขึ้นไม่ได้แล้วก็เห็นคนแก่มาหาผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรท่านอาจารย์ แค่มาเยี่ยมดูเฉยๆพออาจารย์เงียบไปว่ายังอยู่สบายดีไหมเขาก็ไม่พูดนะแล้วก็จะรีบกลับด้วยว่าอย่างนั้นเออถ้าอย่างนั้นให้บอกบอกยอมญาณนะว่าแล้วจะไปเยีย่ยมมันก็ว่าอย่างนี้อืเขาก็ลงไปพอลงไปบ อ, ไอไอบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพบอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้มันตีกลับนะทีนี้โอ้โหยเรานี่ก็แหมทําไมไปโทษท่านรุนแรงอย่างนั้นว่าอย่างนั้นนะ ท่านไม่ได้มีอะไรเลยเราก็โอ้โหทำไมเรามันโง่อย่างนี้นะไปฟังคำเล่าคาลือไปหลงเชื่อคำพูดของคนได้แต่มันก็น่าเชื่อนะพระพราพูดบางบางทีก็เข้าหูองนั้นองนี้บางทีก็แสดงออกต่อหน้าแต่มันเฉยเลยนะผลหรือไม่ผนมันเรื่องของเราอย่างนี้เลยนี่สันทิติโกยมันขึ้นมาเอง มันไม่หวั่นไหวอ่ะเชื่อเราก็เท่าเดิมไม่เชื่อเราก็เท่าเดิมถ้าคนเชื่อได้รับประโยชน์ก็ดีนะไม่เชื่อไม่ได้ประโยชน์ก็แล้วไปเราถึงใดนั้นเราลืถึงพระพุทธเจ้าเลยนะโอ้โหขนาดท่านเป็นพระพุทธเจ้าเนะี่ยดูซิยังมีเรื่องมีราวมีปัญหามากมายเลยนะพรุทธเจ้าอะไปบิณฑบาตก็คนตามด่ามันดูซิคนล ะ, ละเที่ยจ้างคนตามด่าทุกวันเลย ถ้าเขามีคนมาด่าเราทนไหวไหมมีคนมาด่าเราเนี่ยทนไหวหรือเปล่าแต่พระเจ้าทนไหวนะเฉยเลยปิณ บ, บาตพระอนุนทนไม่ไหวพระอนุนเป็นพระโสดาบันแต่ทนไม่ไหวข้าแต่บงคูเจญเนี่ยเมืองเมืองนี้เขาด่าเราทุกวันนะ่ะเราย้ายไปเมืองอื่นเถอดพระเจ้าข่านี่ชวนเลยนะทนไม่ไวหวงุนหีดแทนลำคาญแทนแนละ้วพระเากระถามแล้วย้ายไปเมืองไหน่ะ ก็ไปเมืองโน้นเนี่ยออกชื่อเรียบร้อยแล้ววถ้าเมืองนั้นนะ่ะเขาตามได้กันก็มันก็ยังมีคนอยู่ดีเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนี้พระเจ้ารู้แล้วแต่มีชีวิตอยู่ในโลกเราต้องเตรียมพร้อมใจมันได้ใจเราทุกอย่างมันไม่ได้หรอกคนรักก็มีคนชังก็มีอิจฉาลิษยามันมีอยู่ในจิตใจทุกดวงเลยนะถ้าว่ายังไม่เป็นพระาลีเจ้านะเนี่ยต้องยอมรับทันทีเลย บางที่เขาดีกว่ากันอย่างนี้เขาดีกว่าเนี่ยยิ่งเขาดีน่าจะอนุโมทนาชื่นชมบอกเออเขาดีก็ดีแล้วเขาได้มีความสุขความสบายโลกเราจะได้สงบล่มเย็นอันนี้ตัวเองเดือดร้อนเลยนะถ้าเขาดีกว่าเนี่ยนี่ยนี่เนี่ยน่หละเรื่องของโลกเรื่องของมารณนะเรื่องความอิจฉาริษยาเนี่ยไปเปรียบเทียบกันตัวเองก็ด้อยกว่าเขาไม่อยากให้เขานี่เหนือกว่าดีกว่า เนี่ยมันอยู่ในจิตน่ะทีนี้คนรู้แล้วก็ไม่ได้ไปมองว่าเขาเลวเขาอะไรนะก็เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ตรงนี้ไงเขาไม่เห็นเขาล้างมันยังไม่ได้เขาก็หลงไปตามมันน่ะมันก็บีบคั้นตัวเองทนไม่ไหวความทุกข์มันแผดเผามันก็แสดงออกมาแค่นั้นเองถ้ารู้แล้วจะไปยึดอะไรไม่ยึดรู้อย่างเดียวเลยสักแต่ว่ารู้เลยรู้แล้วจิตไม่ยินดีไม่ยิน้ายจบเลย มันจะลึกลับขนาดไหนมันจะมีละเอียดขนาดไหนก็ช่างพอเราตั้งสติดูอย่างเดียวนะดูดูเลยเคยเคยเหมือนกันอนะมีนู่นมีนี่บางทีโอ้โหเป็นสังขารลุมเข้ามานะลุ่มเข้ามเติบเตบเข้ามาเห็นด้วยนะรู้สึกด้วยโอ้โหมันดันไปทั่วร่างกายเลยนะเติบเข้ามากันมุบเข้ามาวุบเข้ามาวุบเข้ามาเป็นระยะระยะระย ะ, ร ะ, ยะแรงมันมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นคําพูดนะ พูดไร้ไร้ด้วยนะโอ้โหเหมือนโดนของอะ่ะแล้วเราก็โอ้โหดูอยู่นะสติก็ดีนะแต่ร่างกายมันควบคุมไม่ได้อะ่ะวบบเบบเ บ, บตัดสินใจกับเอา้าดูที่นี่ตั้งสติขึ้นมาดูอย่างเดียวเลยนะดูดู ด, ดูพอเข้าไปหาจิตได้เท่านั้นแหละอ้าวมันดับไปเฉยเฮ้อจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินไร้นี่ได้ผลจริงๆรินะชงัดเลยอะ่ะ พอจิตเราไม่ไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวไม่ไปหลงว่าเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นเหมือนมันไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดดับไปเฉยเลยนี่ถึงเชื่อพระพุทธเจ้าว่าาจารย์บอกว่าเออมาเน่ยเรารู้ท่านเสียแล้วเยท่านถูกเรากําจัดเสียแล้วกําจัดก็คือเนี่ยมันไม่ยินดีไม่ยินไล่กับมันอ่ะเนี่ยหลักธรรมมันจริงต้องพยายามที่จะให้รู้แล้วก็จิตเราเป็นกลางๆงไม่หลงยินดียินร้าย ถ้าทำได้ใจเราก็ไม่มีทุกข์ถ้าทำไม่ได้ใจเราก็ยังไปยึดนู่นยึดนี่อยู่เนี่ยมันก็ต้องทุกข์สิเพราะเรายังทำไม่ได้แล้วจะไปขอให้อะไรมาช่วยล่ะมันไม่มีเหตุผลช่วยก็คือช่วยแนะนําเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วพระ อ, องค์ก็เป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นส่วนการปฏิบัตนะิเป็นหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยมันถึต้องมาปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นถ้ามันรู้ได้ดูได้นะรู้สักแต่ว่ารู้เนี่ย แต่มันก็เก่งนะพวกนี้นะมันบดันร่างกายดันตรงนั้นตรงนี้ะแล้วก็ใส่อะไรอะไรเข้ามาเนี่ยเพื่อให้เราดูไม่ได้นี่มันก็หาทางแก้เราก็ต้องพยายามเจริญสติเตรียมตัวไว้ให้มากๆรักษาจิตให้มากๆสำรวมระวังให้มากๆเพื่อจะให้ทันมันรู้ทันมันมันต้องเจอต้องเผชิญหน้ากับมันนะการปฏิบัติธรรมเราก็อธิบายให้ฟังครว่านี่นะที่มันมีนู่นมีนี่มา เขาก็บอกว่าเออเวลาปฏิบัติเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่มันง่วงเขาว่านั่นแหละเครื่องทดสอบแล้วแบบฝึกหัดแล้วเพื่อให้จิตเราเข้มแข็งนั่นแหละเราบอกต้องผ่านแต่คนไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ง่วงอ่ะง่วงก็ไปนอนเสียก็จบนี่แต่คนปฏิบัติมันต้องได้ต่อสู้นั่นแหละแบบฝึกหัดชั้นหนึ่งเลย่ะทุกระดับด้วยบอกได้เลยใครไม่ผ่านง่วงไม่มีหรอกมันต้องมีตัวง่วงเนี่ย ตัวซุมเนี่ยต้องมีแต่อยู่ที่ว่ากำลังใจเราพอไหมสู้ไหมเนี่ยที่จริงมันแค่ดูได้ถ้าจิตมีกำลังก็แค่ดูเฉยๆแล้วมันจะดับไปแต่เราดูมันไม่ได้เพราะว่ามันดันนุน่นดันนี่ดึงตรงนั้นดึงตรงนี้จิตของเรามันก็ไหลไปยิ่งมีความกังวลขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยแทรกขึ้นมาแล้วนั่นนี่นี่จิตของเราเป็นขึ้นมาแล้วกังวลหวั่นไหวขึ้นมา ปรุงแต่งขึ้นมานี้เสร็จมันเลยเข้าทางทันทีเลยนะแต่ถ้ามันเป็นเองรู้ปับ๊บอ้าวอาวอ า, อ า, อาวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินลายเดี๋ยวไปอีกวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินลายก็สู้กันไปไม่ไหวก็เอา้าหาทางอื่นเนี่ยเดินจงกรมบ้างออกกำลังกายบ้างทำนู่นทำนี่ไปบ้างมันต้องมีทางแก้ไขไม่อย่าไปนั่งท้อใจอยู่ถอดใจอยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมีทั้งหลายวิธีอ่ะ นั่งไม่ได้ก็ไม่เห็นไม่ต้องไปนั่งมั น, เ, นเดินจะก้มไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเดินมันเอาสินั่งเดินไม่ได้ก็ทำงานไปเลยทำกิจกรรมทำข้อวัดอะไรมีประโยชน์ขออย่างเดียวให้มีสติไม่มีอะไรทำก็เดินป่าลืมตาเดินไม่ได้หลับตาเดินเอาไว้มันชนนุ่นชนนี่มันเดี๋ยวตื่นขึ้นมาจิตมันตื่นข้างในอะ่ะหาอุบายให้จิตตื่นข้างใน สมัยก่อนงุ่งมั่งไปแล้วมันมีป่าเพชรอยู่อยู่ร อ, อบๆกุฏิเนี่ยดีเดินทางคื น, เ, นเดินสัวๆไปเลยเนีย่ไม่ได้ใช้ไปชงไปฉายอะไรนะคือให้จิตมันตื่นให้มันระวังตัวของมันเองขึ้นมามันก็ระแวงว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยเราดูจิตแล้วเราเข้าหาจิตแล้วเอเดินไปเลยเดินกลางคืนหมืดนหมื่นเอาแค่จิตมันตื่นตื่นตัวเนี่ย ก็ก็ได้ทำนะสติมันก็ดีนะก็เห็นจิตด้วยเห็นอาการของจิตด้วยนี่แสดงว่าการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้จิตเรามีกำลังทุกอย่างมันก็คือจิตของเราี่หละที่มันยังไม่รู้รู้ไม่รอบมันก็เลยมีทุกมีปัญหามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นถ้าจิตรู้ จิตก็จะปล่อยจิตก็จะวางมันจึงอยู่ที่จิตจริงๆรงเนี่ยอาไปไปยึดโน่นยึดนี่ก็คือจิตนั่นแหละไปยึดแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้นั่นอยากได้นี่นีนน่จิตเนี่ยถ้าราู้ไม่ทันนี่คือเหตุแห่งทุกข์นะทีนี้จะละเหตุแห่งทุกข์ต้องมาดูตัวทุกข์นะทีนี้ดูสภาวะทุกข์นี่ไม่เรามาดูสภาวะทุกข์ดูยังไง หรือจิตเนี่ยแหละมันดูดูแล้วก็เห็นว่าสิ่งนั้นน่ะมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้ก็หมายว่าจิตต้องมีกําลังถ้ายังไม่มีกําลังมันก็อะไรสติควบคุมจิตแค่สงบซะกอ่อนอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆ แ, แค่นี้ก็ยังสบายขึ้นตั้งเยอะแล้วมันอยู่นิ่นงๆมันอยู่เฉยๆจิตอยู่กับตัวเองได้ก็ดีกว่าจิตที่มันไหลไปข้างนอกเพลินไปข้างนอก ไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามารบกวนจิตใจตัวเองนี่ให้มันมันสงบได้นี่ก็ดีแล้วนี่ก็บุญกุศลมากเนี่ยเราถึงอธิบายให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนเลยบอกว่าบุญทั้งหมดมารวมลงที่สตินี้คือถ้าสติรักษาจิตใจไว้ได้ใจมันไม่หลงยินดียิน้ายอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีทุกข์แล้วบุญมันจึงมาลงที่นี่ทั้งหมดก็ฝึกไปจนสติของเราเนี่ย มันกั้นจิตไว้ได้เลยน่ะกั้นแม้จิตนี่ไหลไปจิตก็อยู่อยู่แล้วมีกําลังพออะไรเกิดขึ้นเห็นที่นี่เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ว่าใจตั้งมัน่นใจตั้งมั่นถ้าพูดแบบรวบลัดก็คือว่ามันอยู่กับจิตได้จิตแน่ๆอยู่ภายในอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่มีผลต่อจิตจิตก็ดูรู้เนี่ยนี่ตัวตั้งมั่นที่แท้จริงสัมมาสมาธิ สัมมาสติควบคุมจิตไว้ได้สัมมาส ม, มาธิใจก็ตั้งมันส ม, มาธิฏิน่ะเห็นเลยเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่ของเราเนี่ยสมาธิฏิที่แท้จริงอ่ะเห็นสภาวะพวกเนี้เกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเห็นทุกข์ทุกข์คือสภาวะทุกข์ถ้าเราไม่เห็นมันไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็มาเป็นทุกข์ในใจเราถ้าเห็นว่ามันเป็นแค่สภาวะทุกข์ ใจเราคายออกม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่ต้องทุกข์เนี่ยมันก็นละเหตุเหตุที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ก็คือความอุปทานนะไปยึดมั่นถือมั่นไปหลงว่าเป็นเราเป็นของเราอยากให้เป็นอย่า ง, งานู้นอย่างนี้มันอันเดียวกันเลยนะมันจะวางเหตุตรงนี้ออกไปวางกายวางเวทนาวางส่วนอยาวอยากได้ทีนี้มันก็เหลือแต่จิตนะ่ นี่เขาลึกซึ้งนะสุดท้ายมีแต่จิตใช่ไหมครับถูกต้องเขาเคยถูกยิงสมัยเป็นหนุ่มๆยังหนุ่มยังแน่นขับรถไปทุรัข้ามภูผานสมัยนัก บ, บุกวบกฤตลายเยอะมันมีข่าวมันมีรถรถแบบประเภทเดียวกันที่เขาขับนั่นแหละรถราชการเนี่ย เขามีการไปขายกัญชากัหรื อ, อยังไงนี่แหละยาเสพติดอะไรน่ ะ, ลนะแล้วเขาจะผ่านทางนั้นก็มีพวกนี้ก็มาดักยิงนะสิจะเอาเงินไงเขายิงก็โดนขาบอถูกยิงปั๊บจิตนิ่งเลยเขาวะเนี่ยคนเราจะวัดความความแน่วแน่ของจิตเนี่ยวัดตอนมันมีอารมณ์กระทบนะตอนมีเร่เหตุเกิดขึ้นมีโอกาสจิตของเรามันคงหรือไม่มันคงดูตรงนี้เลยนะ มีปัญหาเข้ามามีเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยจิตเราแน่วแน่อยู่ได้ไหมของเขาบอกนิ่งเลยแล้วก็บอกเลยว่าผมถูกยิงไหวไหมเพื่อนเขาถามไหวไหวเขาก็เล่งเครื่องเขาไม่ยอมจอดประคองแล้วพอไกลแล้วก็เลยก็บอกว่าเออไม่ไหวแล้วก็ให้คนเปลี่ยนเัาเป็นเรื่องบนโรงพยาบาลก็ยังนิ่งอยู่กขาวาไม่ตก อ, อกตกใจเฉยเลยแต่ละลึกถึงดูกปู่ฟัน เนี่ยสังขารนุสติมันมีหลวงปู่ฟันเป็นที่พึ่งเคยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟันเขาโรงพยาบาลเขาดมยาสลบก็นิ่งฟื้นขึ้นมาเป็นอย่างนิ่งเนี่ยดูสิเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่แปลกใจว่าเออจิตเท่านั้นใช่ไหมครับนะปัญหาเรื่องราวทั้งหมดก็อยู่ที่จิตนี่แหละแต่เพราะนั้นเราก็ปฏิบัติจิตของเราให้ดูตัวเองไปสักระยะหนึ่งนะ เตรียมตัวดูตัวเองนะเตรียมตัวแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายนี้ต้องให้มันบอกกับตัวเองได้ว่าจิตเราอยู่ยังไงเนี่ยการบอกตัวเองได้คือมันตื่นมันตื่นขึ้นมาตื่นแล้วก็รู้ด้วยตูว่ามันดูอะไรมันทำอะไรมันอยู่ยังไงกาอยู่ยังไงเวทนาอยู่ยังไงจิตอยู่ยังไงมันดูอะไรมันเข้าใจอะไร เข้าใจว่ายังไงมีอะไรเป็นเราแล้วก็ให้ทําความรู้สึกว่าพอใจการปฏิบัติวันนี้ผลเป็นยังไงก็พอใจเพราะมันเป็นเรื่องของสภาวธรรมไม่ใช่หน้าที่ของเรามันดีก็ไม่ใช่ไปหลงว่ามันจะต้องดีตลอดไปเออรู้ว่ามันมีเรามีสติรู้อยู่เนี่ยมันไม่ดีเราก็มีสติรู้อยู่ รักษาใจไว้ไม่ยินดีไม่ยินลายสำคัญตรงนี้นะใจไม่หลงยินดียินรายเนี่ยหลักสำคัญไม่ใช่ว่ามันดีมันโปร่งมันโล่งมันเบามันสบายมันสงบเราไปพอใจถว่ารู้ว่าพอใจก็ไม่เป็นไรพอใจรู้ว่าพอใจรู้มันสงบรู้มันนิ่งรู้มันเป็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยอันนี้ถูกต้องรู้เฉยเฉยเนี่ยมันไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าเออมันไม่ดีแล้วแย่แล้วเรา ก็รู้ว่าไม่ดีมีสติรู้เนี่ยไม่ยินดีไม่ยินยเนี่หลักสำคัญอยู่ตรงนี้คือไม่ไปติดไม่ไปก่อไม่ไปเกี่ยวอะไรแมตตาสภาวะธรรมก็ตามนี่ให้รู้เป้าหมายของการปฏิบัติเพราะนั้นเราจะประสบพบเหตุอะไรก็ตามพยายามรักษาใจไว้เป็นกลางไว้ไม่ยินดีไม่ยินไลนี่เดียวมั น, ม, นมันปล่อยมันวางได้นี่เดียวมัชฌิมาปฏิปทาเดียวมีสติสัมปชัญญะ เป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสนาอยู่ในตัวเองเลยซีสมาธิปัญญาก็อยู่ตรงนี้เล ย, ยเรียกว่าการปฏิบัติธรรมตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอ้าย้ำกับตัวเองนะว่าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิง่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจง้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกในวตสงสารด้วยเถิด แล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญทำความรู้สึกเหมือนบุญออกไปจากใจเราอะอาวันนี้บอกแค่นี้นะ ชาสมมาสมพุทธาชาระสรงชอไใจด้ยพระองค์เอง